หาปัจเ จ, จ้าตุกะอกุตวราิตที่สองสอสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นฉนัยจิตที่เป็นอกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสำปรยุทธ์ด้วยทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์มีโพธพภะเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์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 ความไม่รู้ความไม่เห็นริมคืออวิชชาอากุตรมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไฉไนะความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นไฉไจิตมโนโมานัตทไท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 จิตมโนโมานัตหไทยปันระมโนโมนายตนามนินสีวิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หจึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยภาษาจึงมีเป็นฉนะความกระทบกริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่6กเป็นปัจจัยพัสสะจึงมีเพราะพัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไฉไรความสํำราญทางใจความสุขทางใจความเสวอยอารมณ์ที่สรรําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวอยอารมณ์ที่สํำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะพัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเป็นไฉนะความกำหนัดความกำหนัดนักความชักนำให้คล้อยตามไปความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าพระเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเป็นไฉนะทิฏฐิความเห็นผิดชัดคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิความเห็นที่เป็นข่าศึกความเห็นโลเลสังโยชน์คือทิฏฐิความยึดมั่นความถือมั่นความถือรั้นความถือผิดจากความเป็นจริงทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดรัติที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปปลาดนี้เรียกว่าเพราะตัญหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเป็นไฉนเว้นอุปาทานแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาตจึงมีเป็นไฉนความเกิดความเกิดพร้อมความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งสภาวธรรมนั้น นี้เรียกว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาตจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีเป็นไฉนะชาราหนึ่งมรณะหนึ่งในชาราและมรณะนั้นชาราเป็นไฉนะความแก่ความคล่ำคร่าความเสื่อมอายุแห่งสภาวะธรรมนั้นๆ น, น, นี้เรียกว่าชารามรณะเป็นไฉนะความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกสลาย ความแตกทําลายความไม่เที่ยงความหายไปแห่งสภาวธรรมนั้นๆ น, น, นี้เรียกว่ามรณะชาราและมรณะดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่าพระชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีคําว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อธิบายว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้ไปร่วมมาร่วมประชุมร่วมปรากฏขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า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 นี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจ <condition>, <od ac> ัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเป็นไฉไรเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีในคําว่าเพราะนามเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีนั้นนามเป็นไฉไรเว้นผัสสะแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน นี้เรียกว่านามเพราะนามเป็นปัจจัยพัสดะจึงมีเป็นฉไหนะความกระทบกริยาที่กระทบกริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะนามเป็นปัจจัยพัสดะจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้252ในสมัยนั้น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 เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้253บรรดาปัจจยยการเหล่านั้นอวิชชาเป็นไฉไนะความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอากูสลมูลคือโมหะ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 นี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามารูปจึงมีเป็นไฉนะนามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นไฉนะเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่านามรูปเป็นไฉนะความแรกเกิดแห่งจัคขายาตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะ และกายายตนะหรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ได้แก่รูปที่เกิดแต่จิตมีจิตเป็นเหตุมีจิตเป็นสมุทฐานนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะที่หจึงมีนั้นได้แก่นามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและ รูปนั้นนามเป็นฉไนะเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่านามรูปเป็นฉไนรูปที่มโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่านามารูปเพราะนามารูปเป็นปัจจัยอายตนะที่หจึงมีเป็นฉไนะจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน นี้เรียกว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจยัยอายตนะที่6จึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเป็นฉไฉนความกระทบกริยาที่กระทบกริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจยัยผ pues ัสสะจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้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 มโนมานตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามารูปจึงมีเป็นฉไนานามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นฉไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่านามรูปเป็นฉไน ความแรกเกิดแห่งจักขายาตนะแห่งกายญยตนะหรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ได้แก่รูปที่เกิดแต่จิตที่มีจิตเป็นเหตุที่มีจิตเป็นสมุดฐานนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามารูปจึงมีในคําว่าเพราะนามารูปเป็นปัจจัยสลายญตนะจึงมีนั้นได้แก่ นามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่านามรูปเป็นไนมหาภูต ร, รูปสี่และรูปที่มโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปนี้เรียกว่ารูปมันนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่านามารูป เพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเป็นไฉไหนจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะและมนายตนะนี้เรียกว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายยตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภัสสะจึงมีเป็นไฉไหนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้อง นี้เรียกว่าเพราะสารายะตะเป็นปัจจัยผัสจะจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ปัจ จ, จะตุ ก, กะ